เรื่องตัมพธาธิกะเพชรขาตดคราวแดงพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันป่าไผ่กรุงราชฤก์ทรงปรารบบุรุษผู้ฆ่าโจรมีคราวแดงดังได้สดับมาโจร499คนทำการปล้นชาวบ้านเป็นต้นสเร็จความเป็นอยู่แล้วครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่ง มีตาเหลือกเหลืองมีคราวแดงไปยังสำนักของโจรเหล่านั้นขอสมัครอยู่ด้วยหัวหน้าโจรพิจารณาดูเห็นความกะคระจึงไม่รับแต่ลูกน้องโจรอ้อนวอนให้รับไว้ให้หลังวันหนึ่งโจรทั้งหลายถูกราชบุรุษ จ, จับได้ถูกสั่งให้ตัดศีรษะทั้งหมดพวกชาวเมืองปรึกษากันว่าใครจะเป็นคนตัดศีรษะได้แม้หัวหน้าโจร ก็ไม่ปรารถนาจะฆ่าลูกน้องของตัวเองแม้โจรทุกคนก็ไม่ปรารถนาแต่ในตาพระธาทิกานายคราวแดงนั้นลูกน้องโจรสุดท้ายตัดสินใจรับหน้าที่ด้วยคิดว่าจะได้ทั้งชีวิตทั้งความนับถือทำหน้าที่นั้นแล้วครั้งนั้นเขาได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรเขาทำหน้าที่อยู่ห้าสิบห้าปีในเวลาเป็นคนแก่ เขาไม่อาจตัดศีรษะด้วยการฟันทีเดียวได้ต้องฟันสองถึงสามทีทำให้ผู้ต้องโทษลำบากจึงถูกถอดถอนตำแหน่งในตัมพธาธิกะเกษียณอายุแลว้วนุ่งผ้าใหม่ปรุงยาขู่เจอน้ำนมและเนยใสประดับดอกมะลิทาด้วยของหอมเพื่อทำการฉลองขณะนั้นพระสารีบุตรเทระออกจากสมาบัติพิจารณาหมูสัตว์ก็ได้เห็นนายตัมพธาธิกะ ที่ควรแก่การส่งเคราะห์ในตำปทาธิกะพอลายเห็นพระเทระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าตนได้ฆ่ามนุษย์มาเป็นอันมากจึงอยากถวายทยธรรมดังนี้แล้วจึงนำยาคูคือข้าวต้มชนิดหนึ่งเข้าไปหาพระเทระเกลีย่ยลงในบาทราดเนยใสใหม่แล้วยืนพัดพระเทระอยู่ในที่นั้นพระเทระรู้อัธยาศัยแบ่งยาคูให้ดื่ม และให้บุรุษที่พัดพระเทระาจงพัดอุบาสกเถิดพระเทราครั้นเสร็จพัฒกิจได้เริ่มอนุโมทนาแก่เขาเขาไม่อาจทำจิตของตนให้ไปตามธรรมเทศนาเพราะเขาคิดถึงกรรมอันหยาบช้ามาสิ้นกาลนานที่ฆ่ามนุษย์เป็นอันมากพระเทราคิดสงเคราะห์เขาจึงพูดว่าที่ท่านตัดสีสามนุษย์นะ่ะท่านกระทาเองหรือถูกผู้อื่นใช้ให้ทำละ่ะ ตอบว่าพระราชาใช้ให้ทำพระเถระจึงบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลจะมีแก่ท่านได้อย่างไรดูดคนรับจ้างทํานาปลูกข้าวเข้าเปลือกย่อมได้แก่เจ้าของนาผู้ว่าจ้างคนรับจ้างไม่ใช่คนที่ได้รับผลนั้นเขาคิดว่าอากุศลรายๆย่อมไม่มีแก่เรามีจิตผ่องใสมีอารมณ์เป็นหนึ่งฟังธรรมอยู่ จึงบรรลุโสดาปติพล์พระเทะอนุโมทนาแล้วหลีกไปสำหรับข้อนี้เมื่อทำบาปชั่วไปแล้วไม่ควรคิดนึกถึงบาปชั่วให้อยู่กับบุญกุศลในปัจจุบันเพราะอาดีตแก้ไขไม่ได้แล้วในชีวิตจริงนั้นจิตต้สำนึกมักจะอดคิดไม่ได้นะครับเป็นธรรมดาที่สะสมข้อมูลไว้นักปฏิบัต ก็พึงเจริญสติรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันจิตว่าจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดแล้วมองดูด้วยใจเป็นกลางแล้วมันจะดับไปเองนะครับหลังจากนั้นเขาตามไปส่งพระเทระเล่ากลับถูกนางยักษิณีตนหนึ่งมาแล้วด้วยเพศแห่งแม่โคโนมหิดเขาให้ตายด้วยบุรพก ร, รมจากอดีตชาติร่วมกันสี่คนข่าโสเพณีชิงทรัพย์ ในครั้งนั้นโดยร่วมกันกับสุปปุทธกุธิอุกุสาติและพาหิยะทารุจิริยะหลังบรรลุโซดาบันถูกแมโคขวิด ต, ตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพระาศาสดาทรงตรัสว่าบุรุษนั้นได้กัลยาณมิตรผู้ใหญ่ฟังธรรมของพระสาวรีบุตรอนุโลมยานบังเกิดแล้วเคลื่อนจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในวิมานดุสิต ทรงตรัสพระคาถาว่าบุรุษผู้ค่าโจรฟังคำสุภาสิทธ์แล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกย่อมบันเทิงใจภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าถือประมาณแห่งธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้วาจาคำเดียวที่อาศัยประโยชน์ย่อมประเสริฐโดยแท้ทรงตรัสพระคถ า, าว่า หากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซบทที่เป็นประโยชน์บทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมประเสริฐกว่า